ต้องแตกดับทำลายไปดังนั้นทุกคนจึงต้องเตรียมสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพื่อชาติหน้าต่อไปชาตินี้เราอาศัยบุญเก่าที่ได้ทำมาตะกอนให้เข้าใจถ้าเราไม่ทำบุญกุศลไว้ชาตินี้ชาติหน้าต่อไปก็ลงเป็นคนทุกข์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 เหมือนอย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้แหละก็อาศัยบุญกุศลที่ทามาแต่ก่อนเป็นเครื่องนำดวงจิตวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องของมารดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบุญนั้นมันเกาะตามรักษามาบางคนก็จนถึงเท่าแก่ชราอายุเจ็ดสิบแปดสิปีเขาไป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 จะไปทำการทำงานหนักหนาอะไรก็ไม่ได้นี่อย่างผู้ที่พูดอยู่นี่ก็เหมือนกันฮะอายุมันเลยอายุไขเลยเจ็ดสิบ้าปีไปถึงเจ็ดสิบเก้าปีนี่มันแม่จะเดินจะเหินไปไกลก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวเหนื่อยมันไม่เหนื่อยแต่ร่างกายได้มันเหนื่อยหัวใจคนนั่นไหัวใจล่าเลย มันไปอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าบุญกุศลมันน้อยลงไปแล้วมันจวนจะหมดอยู่รมรอดอยู่แล้วทุกคนก็คงจะรู้ตัวผู้ที่มีอายุเข้าสู่โลกเลขหกเลขเกีดไปแล้วนั่นน่ะนับว่าคงจะรู้ตัวแล้วว่าร่างกายสังขาร น, นีนะ่มันทุดทรมลงอย่างไร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 อายุสังขารที่ตนได้มาด้วยบุญด้วยกรรมอย่างว่านี่เห็นว่าเป็นของมีน้อยนิดเดียวหนึ่งอนี้ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้ฝึกตนให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากบาปจากโทษมลทินต่างๆทำยังไงตนจะบริสุทธิ์จากบาปโทษก็เอาเลยก็มีอุบายมีปัญญา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 แต่ไม่ถึงตายแต่หากว่าไม่มีกำลังที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีให้ได้เต็มที่อันนี้ท่านจิงเรียกว่าบาปนี่มันเป็นมารของชีวิตแต่คนส่วนมากมันกไม่เห็นโทษของบาปเพราะมันอาศัยความหลงความเมาเข้าครอบงามจิตใจเมาในความเป็น เด็กเป็นเล็กเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความวัยกลางคนเมาในความเป็นคนแก่นี่กันทั้งผู้ที่หลงพี่เมาแล้วก็เมาอยู่ในวัยเหล่านี้แหละเมื่อด้วัยเด็กวัยหนุ่มก็เมาเล่นเมาเล่นเมาหัวไม่รู้จักช่วยตัวเองอะไรได้เลยอาศัยพ่อแม่เป็นโย าพอถึงวัยหนุ่มวัยสาวมาแล้วก็เมาในความรักความใคร่แสวงหาแต่งสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละวะนี้ถ้าพูดอย่างแจ่มแจ้งก็ฝ่ายชายก็แสวงหาหญิงที่ตนรักใคร่ฝ่ายหญิงก็แสวงหาชายที่ตนรักตนใคร่ก็จึงได มีการสังคมกันมีกรรมรสบชักชวนกันไปดูมรสพบกบเง้นได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วสุขใจสบายใจคนสมัยทุกวันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเอาแฝมากดเสียเนื้อเสียตัวเขาไปฝ่ายหญิงฝ่ายชายมันไม่เสียหายอะไรหรอกฝ่ายหญิงนั่นแหละเป็นฝ่ายเสียหายแล้วก็หมดค่ามราค่าไป อย่างนี้นะควรคิดควรพิจารณาไอ้ความเป็นหญิงสาวจะเป็นของมีค่ามากก็ต่อเมื่อรักนวลสงวนตัวไม่เสเพลไม่ปล่อยกายปล่อยใจไปให้เพจกลงกันข้ามรักษาตัวให้ดีทำทนให้ดีขยันมันเพียรในการงาน ฉเฉลียวฉลาดในการต้อนรับปฏิสันฐานแขกคนท่านอย่างนี้แล้วมันก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวคนเรานะไม่จำเป็นเธ ย, ยจะต้องไปแสวงหามาหรอกกว่าต่ปรับปรุงตัวเองให้มันดีงามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรักโวนสงวนตัวไวอย่างนี้นะฝ่ายเพศโกรงกันข้ามมันก็ยิ่งมองยิ่งสนใจ เขาพูดได้ปล่อยกายปล่อยใจไปเป็นเหตุให้เขามองเห็นว่าเออหญิงคนนี้นะเห็นจะเป็นคนที่มกักมา ก, มากในกามมีความกำหนัดกล้าถ้าไปได้แต่งมงมแต่งงานกะเดียวก็จะไปทำชู้จากหัวเขาคิดเห็นอย่างนี้เขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็หลอกหานะความสนุก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 มันก็มีสองทางนี่เองวะทางดีกับทางชั่วใครใครก็ยอมรู้ดีแต่คนผู้หลงผู้มาแล้วมันถึงไม่รู้จักเลือกเลยเจอดีก็ทําดีไปเจอชั่วก็ทําชั่วไปอย่างนี้แหละไม่เลือกคนมีสติมีปัญญาเขายอมเลือกกว่านี้นะในระหว่างของดีกับของชั่วใครผู้มีปัญญาเขาจะไปเอาของชั่วนะนะั้น่ะ เ้าก็คว้าเอาของดีนั่นแหละไปปกครองไปร่วมสุขร่วมทุกข์อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละชีวิตของคนเรานี่นะเมื่อเรารู้ว่ามันมีทั้งดีทั้งทั่วอยู่ในใจนี่อย่างเนี้ยเราก็ภาวนาเพ่งพิจารณาเข้าไปเพ่งเข้าไปเมื่อเพ่งเข้าไปนี่กิเลสมันจะดิน้น เมื่อมันดินมันแสดงอาการออกมาให้รู้แล้ว่านี้นะเกิเลสอันใดมีอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาให้รู้วัานี่เออนี่กิเลสอันนี้นะมันรบ ก, กวนกจิตใจใเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่แล้วมันทำคนใ้เสียคนกับพะกกิเลสเหล่านี้เพราะเป็นผู้รู้อำนาจเก่ ก, กิเลสเหล่านี้เรียกว่าปล่อยตนให้เป็นไปนตามอำนาจของกิเลสนั้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็กําหนดละกันได้ถ้าไม่รู้หน้าโลตาไม่รู้ลักษณะอาการของกิเลสจะนี้ก็ละมันไม่ได้มันก็ละไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์ที่มีพิษเมื่อต้นไม่เห็นมันไปเหยียบมันเข้าหรือไปจับมันเข้ามันก็กัดเอาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสความชั่วร้าย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 ถ้าคนเฒ่าคนแก่ถึงจะเป็นผู้ห่างไกลจากความรักความใคร่เหล่านั้นมาแล้วแต่บุคคลผู้ไม่ได้ฝึ ก, กจิตใจตัวเองไอ้อย่างนี้นี่มันก็ยังไปเกาะไปคล้องอยู่ส่วนอื่นนั่นแหละไม่ไม่รักความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปรักลูกรักหลาน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 ลูกหลานในเมื่อเราเลี้ยงใหญ่มาแล้วเขารู้เรียงสาแล้วเขาไม่มีปัญญาจะช่วยตัวเองได้กัดแล้วตัวเรื่องของเขาก็โยในให้เป็นกรรมของเขาซะทะั้นแหละเออเขาทําบุญกุศลมาแต่ก่อมันน้อยไปเมื่อบุญกุศลมันน้อยไปแล้วสติปัญญาอันไรก็ไม่มีแบบนี้ที่จะคิดสร้างตัวเองให้ จเจริญนุ่งเหลืองด้วยลาบยศสนเสริญความสุขความจเจริญต่างๆนี่มันมันไม่มีปัญญานี่คนบุญน้อยนะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญญาเราต้องนึกถึงบุญถึงกรรมของตัวของตัวเองและของคนอื่นเป็นอารมณ์มันถึงปล่อยวางได้ใครเจะไปต้านทานต่ออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วได้เมื่อกรรมชั่วมันจะให้ผลอย่างนี้นะ ไม่มีอำนาจใดจะมาต้านทานได้เลยมันยอมให้ผลไปตามการแต่เวลาที่มันมาถึงเข้ากรรมดีก็เหมือนกันเมื่อมันถึงเขามันจะให้ผลแรงนี่ไม่มีอะไรต้านทานได้เลยก็บุญกุศลนัมันก็ให้ผลทําชีวิตของบญนั้น์ในเจริญรุ่งเรืองขึ้นปัจจุบันทันด่วนไปเลยอย่างนี้นะเนี่ยจึงว่า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 ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมคือการกระทำนี้เองเนอะผู้ใดผู้ใดรู้ผู้ใดพิจารณาเห็นอนุภาพแห่งกรรมอย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกทำแต่กรรมดีแบบนี้นะส่วนกรรมชั่วนันพยายามละเว้นในห่างไกลออกไปเรื่อยเมื่อพยายามทำกรรมดีให้ใส่ตนในมากเข้าไปเท่าได ตนก็มีความสุขกิตสุขใจมากแคเท่านั้นแหละ บ, บนันนี้ส่วนร่างกายนี่มันเป็นผลของบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมัน่าตกแต่งให้แม้บางคนจะทำบุญกุศลในชาตินี้อธิษฐานอ้อนวอนขอให้ร่างกายนี้สมบูรณ์พูนศกขอให้มีอายุยืนยาวนานสืบต่อไปนานๆอย่างนี้กับบุญใหม่นี่ก็ช่วยไม่ได้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 อันบุญใหม่ที่ตนทําในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลไม่ได้นี่นะขอให้เข้าใจถ้าบุญใหม่นี่มันให้ผลได้บุคคลมันก็ยอมเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันหมดสิพราคนไทยเรานี่พอแต่รู้เดียงสามาก็ทําบุญมาอย่างนั้นนะจนเท่าจนแก่ก็ไม่เห็นว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเก่า มันก็อยู่เท่าเก่าบุญตนสร้างมาเท่าไรก็อำนวยผลให้มีความสุขอยู่เท่านั้นนี่แหละให้พากันสันนิฐานดูให้ดีเมื่อเราสันนิฐานดูอย่างนี้เราจึงจะรู้ชัดลงไปว่าเอออันบุญใหม่นี่มันอานวยผลในทาง จ, จิตใจผุ้คนผู้ทำบุญกุศลแล้วใจสบายอันนี้จริงอยู่ล่ะให้ผลดัง จ, จิตใจในปัจจุบันนี้นะ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 เป็นผู้ทสมทานมั่นในสินทั้งห้าประการนั่นอย่างนี้นะไอ้ข้อที่หนึ่งก็ป้องกันไม่ให้บุคคลผู้นั้นนะ่ะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นซึ่งผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วถูกจับกลุมไปฟ้องร้องติดคุกติดตรางแล้วก็ป้องกันไม่ให้ท ะ, ทะเลาะวิวาท ซึ่งกันและกันในระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันศินข้อพนักตบนี่นะมันรวมถึงการทะเลาะวิวาดพิษเถียงกันไม่ใช่หมายเอาเสตตะฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างเดียวนะการทะเลาะวิวาทกันบาดหมางซึ่งกันและกันโมูนี่เมื่อโกรธมาแล้วกด อทอดทิ้งกันไปเสียไม่มีเมตตากรุณาต่อกันเมื่อนี่มันก็เรียกว่ามันทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยทางอ้อมมันก็จัดเข้าในสินข้อที่หนึ่งนี่แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีสนินนั่อนอ่ะอานวยผลทั้งให้ทางในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เนะี่ยสินข้อที่สอง ก็ป้องกันไม่ให้บุคคลผู้มีสินข้อที่สองนั้นไปหยิบฉวยเอาของผู้อื่นด้วยความโลภเจตนาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเจ้าของก็รู้วขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับไปจึงก็รู้ตัวอย่างนี้ก็มีในบางคนนะในบางคนก็เจตนาหยิบฉวยเอาสิ่งของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ ไปคนไม่มีสินข้อที่สองนี่นะถ้ามีสินข้อที่สองแล้วแม้เห็นสิ่งของของใครตกอยู่ก็ไม่ถือเอานอกจากว่าจะถือเอาแล้วเอาไปแจ้งผู้เยาวบว่ากำนานหรือไปแจ้งนายให้นายโคตรนาหาเจ้าของมาเอาแต่นั้นแหละอย่างที่เขาลงหนังสือพิมพ์มามูนั่นนะ่ะเด็กๆอายุก้าว阔สิบ阔 เก็บกระเป๋าเงินทองเขาได้เขาก็ยังเอาไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโคดธนาหาเจ้าของมาเอาคืนไปนี่แสดงว่าเด็กเหล่านั้นเขาเคยรักษาสินมาในชาตก่อนเขาเว้นจากอธินาทานมาแล้วเป็นนิสัยประัยติดตามมานี่แหละผู้มีสินข้อนี้ก็จะ ไม่ไม่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเพราะไปลักไปล่อเอาไปหลอกไปลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตอนนี่แหละไี้ว่าคุณของสินเนี่ยให้ผลในปัจจุบันนี่แีลยแล้วก็มีไม่มีใครเขาคิดปองร้ายจองผ่านตนเองเพราะว่าตนเองไม่ไปไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยถ้าหากว่าไปหยิบไปช่วยไป หลอกลวงเอาสมบัติเขามาเป็นของตนอย่างนี่เจ้าของทรัพย์เขายอมผูกอาคาดจองเวรตนก็อยู่ไม่เป็นโชคนนในจังว่าผู้มีสินข้อที่สองนี่มันสบายเป็นอยู่ได้สบายไม่ต้องนอนสะดุง้งสินข้อที่สามก็เหมือนกันบุคคลผู้ที่ไม่มากมากในกามเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติธรรม ภาวนาสำรวมจิตใจของตนอยู่คมใจของตนอยู่ไม่ราคะตั้นหาขอารร้อความจิตใจจนเกินขอบเขตเช่นนี้มันก็ไม่ได้ไปพฤ่งล่วงสินข้อที่สามคือไม่ได้ไปทําชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นอย่างนี้มันก็ไม่มีวเวรในปัจจุบันนะ่ะถ้าหากว่าล่วงสินข้อนี้นะ่ะ ถ้าผู้ชายไปร่วมกเวณีในเมียของคนอื่นเขาัวเขารู้เขาก็อาฆาตคอยตอบแทนแก้แค้นออย่างนั้นเลยถ้าหากว่าผู้หญิงไปร่วมเกินสามีของผู้อื่นในทางกเวณีเมื่อเมียเขารู้เขาก็อาฆาตเมื่อได้โอกาสเขาก็ทําร้ายเอามีอยู่ทมไป ในโลกอันนี้นะเกือบจะว่าทุกวันก็ว่าได้ทุกวันแล้วไหมถ้าคิดถั่วทั่วประเทศหรือทั่วโลกนี่แล้ว<ม>การประพฤติผิดในกรรมดังกล่าวมา น, นี่นะมีอยู่ทุกวันหละคิดถั่วไปทั่วโลกนี่นะ้วสินข้อที่สี่เมื่อบุคคลสมทานมั่นได้จริงแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้มีวาจา เป็นสัตเป็นจริงกล่าวอะไรนั่นพูดอะไรออกมานั่นเป็นสัตเป็นธรรมเป็นสัตด้วยเป็นธรรมด้วยนะอันความสัจจริงบางอย่างน่ะเป็นความหลอกลวงให้คนหลงผิดไปอันนั้นเนี่ยบอกความสัตอันนั้นไม่เป็นธรรมให้เข้าใจเห็นได้ประสาทศราจึงว่าเป็นสัตด้วยเป็นธรรมด้วยความสัตความจริงที่เราพูดออกไปนั่นเรียกว่า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 เ้าไปคิดพิจารณาดูดีๆแล้วจึงว่าศินข้อที่สามนี่เมื่อบุคคลมารักษาสมทานมั่นลงไปแล้วคนทั้งหลายย่อมไว้เนื้อเชื่อใจยอมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนและถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผู้น้อยเข้ารบนับถือเพราะว่าเป็นผู้กล่าววาจาเป็นสัตว์เป็นธรรมและกล่าววาจาอ่อนโยน อย่างนี้นะนี่เรียกว่าผลแห่งการรักษาสินที่เราจะพึ่งได้ในปัจจุบันเป็นงั้นสินข้อที่ห้าบุคคลผู้ได้สมทานมั่นแล้วไม่ล่วงเกินอย่างนี้เนะี่ยก็เป็นผู้มีสติมีปัญญาดีเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์โรคภัย อันร้ายแดงไม่เบียดเบียนเพราะน้ำเมานั้นเพราะไม่ได้ดื่มน้ำเมาโรคตับโรคปอดจึงไม่เกิดมีอย่างนี้แล้วจิตใจก็เป็นปกติไม่ฟั่นเฟือนถ้าบคุคคลผู้ดื่มสุรามากๆเข้าไปแล้วจิตใจฟั่นเฟือนกลายเป็นคนจริตไม่ดีขึ้นมา พูดพร่ำไปทั่วอะไรมอหมดแล้วไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้ว่าใครจะเกลียดจะชังอะไรไม่รับรู้ทางนั้นเลยอย่างนี้แหละแล้วนอกจากนั้นมันก็ตัดทอนอายุให้สั้นเข้าไปก็เมื่อโครคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงเข้าไปแล้วอย่างนี้มันจะอยู่ได้ยังไงล่ะมันอยู่ไม่ได้ อย่างอกคนผู้ที่สูบบุหรี่จัดอย่างนี้นะเท่าที่เห็นเห็นมาอายุไม่ยืนนะทางว่าสูบไม่มากแต่พอประมาณก็ไม่เท่าไหร่แต่ผู้ที่สูบมากมากเนี่ยสังเกตมาแล้วอายุไม่ยืนเป็นโรคปอดคนสูบบุหรี่มากๆถ้าไม่ปอดเสื่อมคุณภาพเลย โดยเฉพาะไอยาซิคเกลดที่เขาทำขึ้นขายสมัยนี้เขายิ่งผสมเนื้อยาเคมีอะไรต่ออะไรเพื่อให้มีกลิ่นหอมให้คนชอบซื้อเอาไปสูกอย่างนี้นะแล้วก็ทั้งยาที่ปลูกทุกวันนี้นะแล้วก็ต้องฉีดยาฆ่ า, มาแมลงโพริโดน ป้องกันสัตว์ที่จะกินใบยานั้นถึงแม้จะเอามาหั่นมาซอยเป็นยาเส้นละมวนบริสูทธอย่างนี้มันก็อาจจะมียาฆ่ า, มาแมลงนั้นติดมาด้วยอทกกว่า น, นี้นะแต่ก่อนนั้นมันไม่มีไม่ได้มียาฆ่ า, มาแมลงฉีดอะไรทั้งหมดเป็นใบยาบริสุทธิ์ ล, ล้วนเลย ซอยมาแล้วมาสูบมันก็ไม่ค่อยเป็นภัยต่อร่างกายแต่ทุกวันนี้นะ่ะแม้สิ่งเหล่านี้อย่าว่าแต่พวกยาสูบอันนี้เลยแม้แต่ผักต่างๆพ้นไม้ต่างๆที่ปลูกลงไปในดินนะ่ยต้องฉีดยากันมแมลงทุกอย่างไปเลยจึงค่อยเหลือมแมลงกินได้ ถ้าไม่ฉีดยากันมแมลงแล้วไม่ได้กินเลยผักนี่เพราะฉะนั้นควรลวกดีกว่าไม่ควรที่จะรับประทานผักสดๆเช่นผักกะลัมผักกาดอะไรแบบนี้นะผักอืนอ่นๆที่ปลูกแล้วฉีดยากันแมลงมนี้ควรลวกให้สุกซะก่อนฆ่าเชื้อแล้วอย่างนี้เรามารับประทานมันก็จะไม่เกิด โทษต่อไปในภายหลังมันต้องหมุนไปตามยุคตามสมัยแหละทำยังไงสมัยนี้มันสมัยที่คนบาปหนาสาโหดมาเกิดมากมเมื่อคนบาปมาเกิดมากกรรมเวรมันกลมมากเพราะฉะนั้นลองคิดดูอ่ะแต่ก่อนน่ะมันแรงต่างๆที่มากิน พืชต่างๆที่ปลูกไว้ในสวนในานาไม่มีมีก็มนีน้อยๆแต่เดียวนี่นะไม่ว่าข้าวไม่ว่าผักอะไรต่ออะไรมีมแมลงเป็นศัตรูของพืชต่างๆเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเอา้าจำเป็นต้องได้ฉีดยาฆ่ากาันวนว่านวายไปเชียงใหม่ยังว่ามีโยมผู้ชายคนหนึ่งเขาปลูกยาเบอร์ญีนีเหมือนกันนี่แต่เชียงใหม่ เขามาหาแล้วเขาก็มาลารให้ฟังว่าผมนั่นผมก็ตั้งใจจะรักษาศีลอยู่แต่และอาชีพผมน่าปลูกยาเยเนียขายมันจะเป็นต้องได้ฉีดยาฆ่ามแมลงไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้เลยมันจะกินใบา ย, ยาไปหมดเลยเขาก็จะไม่ซื้อนี่ถ้าใบา ย, ยามันทะลุปู่งเป็นช่องเป็นรูองั้นแล้วแล้วขอให้ท่านแสดงว่าการฉีดยาอย่างนั้นไม่เป็นบาปเป็นโทษ ได้ไหมเพื่อนวะโอ้ไม่ได้หรอกเพราะว่าการทำปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์นี่มันเกี่ยวกับเจตนาเมื่อเราเจตนาจะฆ่าให้มันตายอย่างนี้นะมันก็ผิดศีลแล้วอ่ะเอะพอไปชี้จ้าเข้าไปสัตว์มันตายศีลก็ขาดแล้วแล้วอย่างนี้เราจะไปทํายังไงออ่ะจะไปหลีกเลี่ยงได้ว่าไม่ให้เป็นบาปทางหลีกเลี่ยงได้ก็มีแต่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 มีราคาดีอยู่ในท้องตลาดอย่างนี้นะไม่เฉพาะทยานะอันอื่นมีอยู่ของกินเนี่ยขายไม่อันหรอกอนก็แนะนำได้เพียงแค่นี้แหละว่าอันจะให้อัตมาพูดเราไม่เป็นบาปนั้นอัตมาไม่พูดแล้วแล้วแต่โยมโยพี่เอาเองเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัส ไว้ว่าปานาธิบตัตประกอบด้องค์ห้าหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตหนึ่งสามจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์ท่านนั้นให้ตายห้าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียร น, นั้นอย่างนี้แหละปานาธิบตัตรก็พร้อมด้วยองค์ห้าอย่างนี้เองเนี่ย อทินนาทานก็พร้อมด้วยองห้าเหมือนกันเนี่ยสินต่ต่อไปบางทีก็พร้อมด้วยองสามก็มีองสี่ก็มีมันมันก็เกิดจากเจตนาทั้งนั้นแหละรวมความแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจการรักษาศิลเมื่อแต่รักษาแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจว่าศินตนขาดหรือไม่ขาด อย่างนี้ก็ไม่รู้ชัดเจนอย่างนี้นะอะมันก็หมายความว่ารักษาศีลเมื่อประกอบไปด้วยปัญญาอไปอย่างนั้นฉะนั้นรักษาศีลมันต้องมีปัญญาประกอบด้วยไม่มีปัญญามันก็ศีลนั่นก็ขาดไปได้อย่างนี้นะหรือมิฉะนั้นตนทําบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งไม่ผิดศีล ก็เลยเข้าใจกันว่าผิดสินไปเกิดเดือดร้อนใจขึ้นมาอย่างนี้แหละเช่นนี้จึงไม่ควรจึงไม่ควรประมาทควรพากันพิจารณาสินที่ตนรักษาให้มันเข้าใจทุกข้อไปอสินมันเกี่ยวกับเจตนาแบบนั้นแต่ว่าข้อสุราเนี่ย น, นะให้เข้าใจเจตนาก็ ิไม่เจตนาก็พิษถ้าดื่มให้ร่วงไหลลำคอก็ไปนี่เนี่ยสินข้อนี้น่ะไม่เจตนาก็เป็นบาปสินก็ขาดแต่ว่าสี่ข้อเบื้องต้นนั้นมีเกี่ยวกับเจตนาทางนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาดูให้ดีเหมือนอย่างเช่นว่า มีคนเขาต้องการยังให้ดื่มเหล้าอย่างนี้ไปใน ง, งานต่างๆเขาทำท่าเอาเหล้าใส่จอกน้ำมาแล้วก็มายื่นให้เราปฏิเสธว่าไม่ไม่ใช่เหล้าดอกน้ำธรรมดาอย่างนี้นะตนก็ไม่ได้พิจารณาไปเชื่อเขาแล้วนะก็เอามาดื่มลงไปแต่จึงรู้ว่าเป็นเหล้าอย่างนีนะ้นั่นแหละมันไม่พ้นโทษอนะ่ะมนขาดความใกล้ครวน ถ้าหากว่าเมื่อเขายื่นมาอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่เหล้าด อ, ดอกน้ําดอกนี้เราก็เอามาดมดูเทก่อนนี้กลิ่นน้ํากับกลิ่นเหล้านะมันต่างกันไกลกันนึกนักหนานี้มันก็รู้ได้เลยว่าเป็นเหล้าก็ไม่ต้องดื่มกันอย่างนี้นะนี่แหละการรักษาศีลก็รักษาจิตเจตนาวิรัตละเว้นนั่นแหละ เราเจตนาวิรละรเว้นแล้วก็รักษาจิตดวงนั้นไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในความละเว้นอันนั้นนะว่าตนได้ละเว้นความชั่วเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วให้จิตมันรู้อยู่อย่างนั้นนะรู้ว่าตนได้ละเว้นความชั่วเหล่านั้นเสมอไปเลยอย่างนี้อ น, นั่นแหละ น, นั่นเรียกว่าตัวศินนะออตัวสิน ตัวสินก็คือตัวจิตที่สำรวมระวังด้วยดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองไม่ให้มันพลังเผดเจตนาใช้กายใช้วาจาทมพูดไปในทางที่ผิดสินนั่นรักษาเจตนาความคิดความนึกนั้นไว้ให้ได้ออย่างนี้นะ้วก็เป็นนั้นว่าเราก็เป็นผู้มีสินบริสุทธิ์อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนอ่เป็นอย่างนั้น แม่สินอุโบสถสินแปดก่อเหมือนกันหรอสินสิสิบสองสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันแ ห, น 12, นหนนละเมื่อรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมด้วยดีแล้วอย่างนี้นะอันจิตเจตนาที่จะไปล่วงสินล่วงวิเลยนั้นไม่มีนี่เพราะว่าได้พิจารณาเห็นแล้วว่า พุทธบัญญัติทั้งหลายนั่นที่พระพุทธเจ้ า, จาทรงบัญญัติขึ้นห้ามแล้วมาให้ทําแล้วพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นโทษเป็นบาปอันเรื่องบาปเนี่ยมันมีบาบาปมากบ้างน้อยบ้างเบาบ้างหนักบ้างหกพันกลางบ้างอย่างนี้นะบาปมันไม่ใช่มีขนาดเดียวนี่มันหลายขนาดนี่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบาปขนาดเบา อย่างเรื่องของพระอย่างนี้นะหากได้ต้องอาบัติอย่างเบานะั่นเมื่อรู้ว่าตนพลังเผลอต้องอาบัติแล้วรีบไปขอสารภาพตนต่อเพื่อนพิศวงเหนึง่งว่าผมได้ต้องอาบัติที่ขาบนด้านแล้วด้วยความพลังเผลอผมมาขอสแสดงต่อท่านอย่างนี้นะแล้วก็สแสดงไปเมื่อสแสดงจบลงแล้วก็เป็นอันว่าพ้นโทษนั้นไป อันนี้เรียกว่าโทษอย่างเบาอันนี้นะอญาติโยมก็เหมือนกันเนะี่ยเมื่อไดล่วงทิศขาบทอันใดอันหนึ่งโดยพลั้งเผลอไปอย่างนี้รู้ตัวแล้วรีบสมทานเสียถ้าหากว่าไม่มีโอกาสจะได้สมทานกับพระย่านี้ก็สมทานเอาด้วยตนเองไปจุดถูปเทียนบูชาพระรัตนกลยัย กราบไหว้แล้วนี่ก็กล่าวคำสมทานขึ้นว่าข้าพเจ้าขอสมทานสิขาหมดที่หนึ่งหรือที่สองที่สามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินนั้นนอันนี้เ น, นี่ยต่อนนี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ล่วงเกินโดยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้โทษ ขี้าพเจ้าได้ล่วงลำำ้ำธรรมนันจงหมดไปจากกิตใจของข้าพเจ้านี่ท่านเรียกว่าสมทานสินโดยตนเองเพราะได้อยู่ห่างไกลจากพระไม่มีโอกาสที่จะไปในทันทีทันใดได้อย่างนี้แล้วก็จุดธูปเทียนบูชาพระกราบไหว้สารก็ธตริย์สมทานา้วยตนเองอยางนี่ก็ศินมาก็มีคืนมาตามเดิม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 อย่างนี้จิตใจมันก็เบิกบานแล้ววบบนี้นะเมื่อจิตใจเบิกบานอย่างนั้นแล้วเราน้อมสติเข้าไปประคองจิตคือความรู้สึกอ น, นั้นอยู่ภายในด้วยการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปสติก็ระลึกอย่างเข้าไปหาความรู้สึกนั้นอย่างนี้นะสติไม่ไม่ระลึกไปทางอื่น เฮงนึกเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นได้มันไปประคองความรู้สึกอันนั้นอยู่แล้วเช่นนี้นี่จิตใจมันจะสงบระ ง, งับลงไปเลยมันจะหยุดคิดอะ่ะนั่นแหละใจมันหยุดคิดทีแรกนี่มันก็ยังสงบไม่ละเอียดเท่าไรหรอกแต่ว่ามันก็เริ่มแลลวเริ่มจิตส ง, สงบลง เมื่อเราเพ่งความรู้สึกอ น, นันต์มากเข้าไปจิตดใจมันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้ออกไปอารมณ์ที่เป็นบาปอากุศลบ้างอารมณ์ที่ไม่เป็นบาปบ้างอย่างนี้นะมันอำนาจแห่งความสงบนี่นะอำนาจแห่งความเพ่งมันทําให้อารมณ์ต่างๆที่ใจหลงยึดหลงถือไ้นั้น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 แล้วอย่างนี้นิมิตเหล่านะั้นมันก็ดับไปเองมันอ่าไปอย่างนี้ก็ต้องให้รู้ท่าว้ผู้ภาวนาถ้าหากว่าเราไม่เพ่งลงไปอย่างนั้นเพียงแต่คมคมจิตหน่อยหนึ่งอบริกรรมพุทโธพุทโธไปเฉยเท่านี้นี่มันอารมณ์ต่างๆที่จิตหลงยึดลงถือไว้มันไม่ออกหรอกมันไม่ถอนตัวออกไป ต่อเมื่อเราเพ่งเข้าไปเองมื่งมากเข้าไปจิตไม่คิดส่งไปทางใดทางหนึ่งอย่างนี้จิตมีตั้งมั่นรู้อยู่ปัจจุบันเสมออย่างนี้นั่นแหละอำนาจของความเพ่งนั่นนะมันไปทับเอากิเลสอารมณ์ต่างๆใ น, ในใจิตใจอารมณ์เหล่านั้นกิเลสนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ถอนตัวออกไปเข้าใจ การเพ่งนี่มันก็ลำบากสักหน่อยเพราะว่าเพ่งเข้าไปอย่างนี้กิเลสอันใดมันมีมันก็แสดงบทบาทต้านทานต่อกระแส จ, จิตอันนั้นอ ม, มันต้านทานทำให้จิตนั้นพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ไนงะแต่ถ้าหากว่าความอดทนไม่เพียงพอสติไม่เ ก, กล้าพอก็เลยพ่ายแพ้ต่อมนันคือกิเลส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 มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเราไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เพ่งเข้าไปมันจะเกิดทุกขเวทนาอะไรต่างๆขึ้นมาก็ชั่งเอาเวทนากักศกวั ต, ตเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลโดยตนเราเขาอะไรเลยเราจะมาเดือดร้อนอะไรกับเวทนานี้มันไม่ใช่ของเราอย่าไปเดือดร้อนเลย ถ้าเราไปเดือดร้อนกับเวทนาก็หมายมวอมาเรายึดเอาทุกเวทนาไว้ในตนตนก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นละเรื่อยไปอืมเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าตนรู้เท่าอดทนไม่วันไว้พิามไม่ยึดเธอมันอย่างนี้มันจะมาครอบงมจิตใจให้เป็นทุกข์ไม่ได้เลยมีแต่ความรู้สึกเฉยๆแต่จิตใจไม่ ก, มกวนกังวย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 ทำให้เกิดความรู้สึกทุกเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานี่มันก็เท่านั้นแหละ ว, วันนี้เมื่อจิตน่รู้เท่าไม่วันไวแล้วทุกขเวทนานั้นก็ครอบงาจิตไม่ได้แล้วก็ละตัณหาอย่าไปอยากให้มันหายอย่าให้อยากอย่าไปอยากให้มันดีมัน อ, อันเป็นอย่างน้อนอย่างนี้ไปอย่าไปคิดอยากไปอย่างนั้นนะ นั่นะที่พวิเจ้าทัดว่าตัณหาเป็นเหตุได้เกิดทุกข์เมื่ออยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เป็นทุกข์ล้วแบนี้น ะ, ะดังนั้นเราไม่ต้องไปวิวตกวิจารณ์ว่าเมื่อไรเนาะถึงจะหายคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ดีวันไหนหนอะเราจึงจะหายวิตโตเืออย่างนั้นถ้าเ ม, เมื่อมันไม่หายตาม ใจคิดใจนึกก็เศร้าโศกเสียใจแล้รแบนี้นะเดือดร้อนอ่เหมือนเปอย่างนั้นเพราะนั้นเราไม่ต้องไปวิถกมันเออเจ็บไข้ได้ป่วยลงถ้าเป็นหนักก็ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอเขาตรวจรักษาถ้าบุญวาสนาเรายังไม่หมดมันก็ไปถูกยาเขาให้มันก็หายถ้าบุญวาสนาหมดลงแล้วก็แล้วไป เพราะว่าในไหนมันก็จะตายแน่นอนนะไม่ตายวันหนึ่งก็ตายวันหนึ่งแล้วแต่บุญกรรมที่ตนทามามากน้อยเพียงใดเมื่อเมื่อบุญยังอยู่มันก็ยังไม่ตายถ้าบุญหมดลงเมื่อใดแล้วก็ตายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวิศเศร้าโศกเสียใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายที่อยู่ข้างหน้านั้นไม่ไกล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 ยิงชื่อว่ารู้เท่าอย่างนี้ถ้ารู้เท่าแล้วไม่อดทนก็ไม่ชื่อว่ารู้เท่าอดทนไม่วันไหวอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าจิตก็ไม่เป็นทุกข์แล้ววะนีอพระพุทธเจ้ายัางทรงตรัสว่าสร้างขาราปรมาดุขา่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่พระพุทธเจ้าหาวันไหวด้วยทุกข์เหล่านั้นไม่มนี่แหละหรือพระอราหันต์ทั้งหลายก็หาได้วันไหวกับทุกข์เหล่านั้นไม่มเพราะว่าท่านจิตของท่านอยู่เหนือทุกข์จะแล้วอยู่เหนือขันห้าแล้วไม่ได้ยึดขันห้าว่าเป็นตัวตนเราเขาแล้วอาศัยอยู่ในขันห้า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 ปัญญามันก็เกิดขึ้นกับสมาธินั่นแหละบะนี้มเมื่อจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วปัญญาไม่หนีไปไหนบะนี้ก็ย่มรู้แจ้งในธาตุสีกันหน้าตามเป็นจริงได้เลยบะนี้รู้ชัดต่อไม่ใช่ของเราเป็น อ, อ, อนัตตามองดูแลว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากเขาจากเรา นี่เรียกว่าเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะท่านจึงเรียกว่าสุญญาตานุปัสนาคือจิตเห็นแจ้งว่าธาตุสี่ขันหานี่เป็นของว่างเป็นของศูญย์จากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยไม่มีใครบังคับบัญชาได้มีแต่เพียงรู้เท่าทามเป็นจริงเท่านั่นแหละ จิตที่อาศัยอยู่ในขันห้านี้นะการที่เราจะรู้เท่าได้ก็เพราะเราฝึกให้เป็นผู้มีสิลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละเมื่อมีสิมุสุระใจกระเบิกวันผ่องแผ้วบัดนี้ฝึกเพ่งอนาปานสติลมหายใจเข้าออกเข้าไปทำจิตนี่ให้สงบแน่วแน่ให้เข้มแข็งขึ้นอ่นี่แล้วเจริญปัญญาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงในขันห้าอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละ นี่แหละที่จิตจะเข้มแข็งได้นะที่จะไม่วันไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขันห้าเวลาขันหน้ามันโรคภัยเบียดเวียนวิบัติแปรพนไปอย่างนี้นะะเราก็เมื่อเราฝึกจิตใจเข้มแข็งไว้อย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่วันไหวแล้ย่งถ้ารู้ว่าโรคภัยแคเจ็บที่เบียดเวียนร่างกายนี่มันจะเบียดเวียนไปจน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 ไม่ห่วงไม่ห่วงนั่นแหละไม่อะไรไม่เศร้าโศกเสียใจกับขันหานี้นี่นะการฝึกฝนอบรมจิตใจในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ถอนตนออกจากทุกข์ภัยในวตาสสงสารอันนี้ถอนตอนมาเข้ามาถอนดงกิจนี้เองเลย ถ้าดวงจิตนี้ยังมาอาศัยอยู่ขันหาน้าในตราบใดจิตนี้ก็จะต้องได้เสวยสุขสวยทุกขไปในสงสารในอยู่อย่างนั้นแหละแต่ผลสุดท้ายนั้นเสวยทุกนั่นแหละมากกว่าสุขจะไม่สวยทุกยังไงแล้วก็เมื่อร่างกายทุดโทมความชราครอบงำเข้ามาแล้วอย่างนี้นะลุกก็ยากนั่งก็ยาก ตาก็มัวหูก็อืดฟันก็รอนเคี้ยวอาหารแข็งก็ไม่ได้ต้องรับประทานแต่อาหารอ่อนๆจึงจะได้อนี้ถ้าไปรับประทานอาหารแข็งเคี้ยวไม่แหลกแล้วก็กลืนลงไปในท้องมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะไฟธาตุมันก็ย่อยไม่ได้เรื่องมันน่ะเหตุนั้นคนอายุมากฟันไม่ดีก็จึงเลือก ทานตั้งแต่อาหารอันอ่อนนุ่มนิ่มอาหารแข็งอย่าไปทานมันแม้จะเคยชอบมาต่กอนเช่นเนื้อแห้งอย่างนี้นะบาคนชอบหลายฝันไม่ดีอะไรก็ยังไปขืนเคี้ยวอยู่นั่นแหละสักหน่อยฟันโยกก็ปวดฟันอย่างนี้มันความอยากนั่ว่าก็เราไม่ต้องไม่ต้องอยากมันละอยากไปทำไมอ่ะ เมื่อมันให้โทษแล้วนี่แหละเมื่อร่างกายมันทุดโซลงไปอย่างว่านี้แล้วมันมันจะมีอะไรละเป็นของตัวของตนนะลองคิดดูลองถามใจตัวเองดูถ้าเป็นของตนยิงๆตนก็บังคับมันได้ะสิใครที่ไปอยากแกอยากงมเกิดมาแล้วอยากเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยอ ย, อยู่เพราะวันนั้นออไม่อยาก ให้เก็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยอย่างนี้นะความประสงค์นั้นเป็นอย่างนี้เหมือนการมดในโลกธนิวาสอันนี้แต่แล้วมันหาได้เป็นไปตามใจหวังไม่เพราะอะไรละ่ะก็เพราะรูปนามอันนี้นะมันบังคับไม่ได้นะี่มันไม่เป็นไปตามอำนาจของผู้ใดทั้งนั้นเลยใครจะมีอำนาจล้นฟ้ามันก็บังคับไม่ได้เลย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 เหมือนน้ำมันกับใส้ตะเกียงนั่นแหละจุดเข้าไฟไฟไหมใส้ไหมน้ำมันน้ำมันก็แห้งไปแห้งไปเหมือนน้ำมันหมดลงไฟก็ดับวูบลงไปนี่อันนี้ฉันไดเมื่อบุญของคนเราหมดลงเวลาได้ชีวิตนี้ก็ดับวูบลงไปเลยเรียกว่าตายจิตก็อาศัยร่างกายนี้ไม่ได้ตนทําบุญทําบาปอะไรไว้บุญบาปก็รองรับไปแล้ววันนี้นะ